หัวข้อคะแนนของทานและศีลทานกับศีลถูกจัดอยู่ในหมวดเดียวกันเพราะต่างก็เป็นการสละออกคือสละความตรณีและสละพฤติกรรมสกรปรกสำหรับการให้ทานนั้นจะเรียกมาหาทานก็ต่อเมื่อเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ได้ประโยชน์ภัยสารกับตนและคนหมู่มากแต่สำหรับการรักษาศีล น, นั้นอย่างไรก็เรียกมาหาทาน โดยไม่จำเป็นต้องตกแต่งด้วยปัจจัยยิ่งใหญ่อลังการแต่อย่างใดเนื่องจากเพียงถือศีลให้สะอาดทุกข้อคุณย่อมได้ชื่อว่าไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นทำโลกรอบตัวให้เย็นลงได้มากมายมหาศาลอยู่แล้วในหมวดทานลบหาสำหรับการขัดขวางผู้อื่นมิให้ให้ธรรมทานที่ถูกต้องแก่สาธารณชนลบสาม สำหรับการขัดขวางหรือบัญทอนกำลังใจผู้คิดถวายสังฆทานลบสองำหรับการให้ได้โดยไม่ลำบากแต่ก็ไม่ให้แก่ผู้ร้องขอที่ตกระกรมลำบากลบหนึ่งสำหรับการให้ได้โดยไม่ลำบากแต่ก็ไม่ใ ห, ำำ ห, ห, ใ ห, ให้เมื่อพบเห็นผู้สมควรได้รับบวกหนึ่สำหรับการให้ทรัพย์ส่วนเกินที่ไม่ใช้กับผู้ขอซึ่งควรจะได้รับบวกสอง สำหรับการหมั่นออกไปหาผู้รับถึงที่เพื่อเป็นฝ่ายให้ก่อนถูกขอบวกสามสำหรับการถวายทานน้อยใหญ่แด่สงเป็นประจำบวกห้าสำหรับการให้ธรรมะที่ถูกต้องเป็นทานแก่สาธารณชนเป็นประจำหมายเหตุถ้าพบว่านิสัยของตนเองตรงกับทานข้อใดก็เลือกให้หมดและนำมาหักลบหักล้างกันได้เช่นคุณได้บวกสอง สำหรับการหมั่นออกไปหาเด็กอนาถาและคนชราไร้ญาติถึงที่เพื่อเป็นฝ่ายยื่นเสนอก่อนถูกขอแต่ขณะเดียวกันคุณไม่ชอบทำบุญกับพระเพราะเห็นเป็นเรื่องสูญเปล่าไม่มองเป็นการช่วยสืบทอดพระศาสนาจึงขัดขวางห้ามปรามคนที่บ้านไม่ให้ทำบุญไปด้วยอย่างนี้ก็ได้ลบสาสรุปคือได้คะแนนรวมจากข้อนิสัยในการทำทานเป็นติดลบอยู่หนึ่งคะแนนเป็นต้น ในหมวดศีลบหนึ่งสำหรับเป็นมือสังหารสัตว์น้อยใหญ่ลบหนึ่งสำหรับการเป็นโจรหรือทำอาชีพช่อชนทุจริตลบหนึ่งสำหรับการเป็นชู้ผิดลูกเขาเมียใครไม่เลิกลบหนึ่งสำหรับการเป็นนักโกหกลบหนึ่งสำหรับการเป็นพวกขี้เล่าเมายาบ้าบวกหนึ่งสำหรับการเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบวกหนึ่ง สำหรับการเป็นผู้เว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่เต็มใจให้บวกหนึ่งสำหรับการเป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในการมบวกหนึ่งสำหรับการเป็นผู้เว้นขาดจากการโกหกบวกหนึ่งสำหรับการเป็นผู้เว้นขาดจากการกินเหล้าและเสพยามืนเมาหมายเหตุ hate, ถ้าพบว่านิสัยของตนเองตรงกับศีลข้อใดก็เลือกให้หมดและนำมาหักลบหักล้างกันได้ แต่อย่าเพิ่งนำไปหักลบกับคะแนนของทานคุณต้องคำนวณให้ได้ผลสุดท้ายของทานกับศีลเป็นคนละชุดกันแล้วจึงค่อยนํามารวมในภายหลังมเมื่อจะคำนวณเปรียบเทียบกับทุนเก่าเช่นได้คะแนนทานเป็นลบหนึ่งและคะแนนศีลเป็นบวกสอ ง, สองก็แปลว่าคุณมีคะแนนในหมวดทานและศีลเป็นบวกหนึ่งเป็นต้นอันที่จริงเรื่องของศีลนั้นละเอียดอ่อนซับซ้อนมาก ต้องจำแนกแยกแยะ ก, กันอย่างลึกซึ้งแต่ภาพคร่าวๆแค่ขาวกับดำเพียงเท่านี้อย่างน้อยจะทำให้คุณอ่านตัวเองออกว่ากำลังใช้ชีวิตสว่างมากกว่ามืดใช้ชีวิตแบบกระดำกระด่างหรือใช้ชีวิตแบบมืดทึบจนหน้าเป็นห่วงกันแน่สำหรับผู้ที่มีทุนเก่าเป็นลบสิบ ถ้าคำนวณหักลบหักล้างนิสัยด้านธานและศีลของคุณแล้วมีค่าเป็นบวกสิบขึ้นไปแม้ชีวิตจะยังโน้มเอียงเป็นทุกข์สำหรับคุณแต่คุณจะไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจอีกต่อไปทว่าถ้าคุณเต็มไปด้วยความตระหนีเข้าขั้นห่วงแหนได้กระทั่งกองขยะหรือตั้งหน้าตั้งตาและเมื่อสินเป็นอาจินชีวิตคุณจะยิ่งตกต่ำจมดินเข้าไปใหญ่ค่อนข้างแน่นอนว่าคุณมีความมืดรออยู่ข้างหน้าถ้าต้องตายไปเดี๋ยวนี้ สำหรับผู้ที่มีทุนเก่าเป็นศูนย์ถ้าคุณเพิ่มคะแนนเพียงบวกสองหรือบวกสาชีวิตก็เป็นสุขขึ้นอย่างรู้สึกได้บ้างแล้วแต่หากเป็นตรงข้ามคุณเพิ่มคะแนนลบสองหรือลบสาชีวิตก็เป็นทุกข์กว่าที่ควรคือถ้าแค่ลบสองอาจอยู่ในระดับจิตใจพร่ามัวเห็นผิดเป็นชอบเล็กๆน้อยๆแต่หากลบห้าเป็นต้นคุณจะเริ่มเห็นกองจักเป็นดอกบัวใครห้ามใครเตือนได้ยากแล้ว สำหรับผู้ที่มีทุนเก่าเป็นบวกสิบถ้าเพิ่มคะแนนไม่ว่าจะบวกหนึ่งหรือบวกหคุณจะรู้สึกถึงความเข้ากันได้เป็นตัวของตัวเองกับทั้งเห็นผลดีบางอย่างปรากฏชัดแบบบุญต่อบุญเพราะเรื่องดีๆความรู้สึกดีๆเป็นวิธีที่บุญเก่าบอกคุณว่ามาถูกทางแล้วทำเช่นนั้นควรแก่การปลาบลืมยินดีแล้วแต่หากยิ่งทำมากแล้วเกิดเรื่องดีใหม่ๆน้อยลงก็อย่าแปลกใจ เพราะเป็นการบอกกล่าวจากเกมกรรมว่าผลของการทำดีที่แท้คือรสสุขที่ได้สั่งสมความดีไม่ใช่ผลตอบแทนเป็นรูปประทันใจหัวข้อคะแนนเพื่อหยุดเล่นเกมกรรมดังกล่าวแล้วในบทที่9ว่าด้วยวิธีหยุดเล่นเกมกรรม คือเพียงเห็นโทษภัยของเกมและปลงใจหยุดเล่นเกมอะไรดีๆก็ยกขบวนตามมาอยู่แล้วฉะนั้นคะแนนของการทำความเข้าใจและตกลงใจหยุดเล่นเกมกรรมจึงอาจจะสูงกระโดดเหนือข้ออื่นๆมากเพราะอย่างน้อยที่สุดอาการทางใจที่เริ่มปล่อยวางบ้างจะมีผลเป็นสุขทันทีละลายทุก์ที่มีอยู่ได้ครอบจักรวาลด้วยศูนย์คะแนน สำหรับการเป็นผู้ยังไม่เห็นโทษของเกมกรรมแม้จะได้พบและศึกษาพุทธศาสนาด้วยความเลื่อมใสบ้างแล้วก็ยังอยากเล่นเกมแห่งความอาลัยในกามต่อไปเรื่อยๆพอเห็นว่าชีวิตก็ดีอยู่แล้วบวกหนึ่งสำหรับการเป็นผู้ยังไม่เห็นโทษของเกมกรรมแม้จะได้พบและศึกษาพุทธศาสนาด้วยความเลื่อมใสบ้างแล้วก็ยังอยากเล่นเกมแห่งความอาลัยในกามต่อไป แต่ทาบุญตั้งความปรารถนาว่าขอให้ได้บรรลุมรคนิพพานในชาติใดาชาติหนึ่งอันไม่เป็นที่รู้เบื้องหน้าบวกสองสำหรับการเป็นผู้เห็นโทษของเกมกรรมแล้วด้วยความเข้าใจจริงๆแต่ยังมีความกลับไปกลับมามีความอะไรยึดติดอยู่กับเกมกรรมโดยเฉพาะเหยื่อล่อคือกรรมและไม่ลงมือศึกษาวิธีหยุดเล่นเกมให้จริงจังทว่าขณะเดียวกัน ก็เริ่มยินดีฟังผู้รู้แจกแจงเรื่องมรรคผลเรื่องการปฏิบัติธรรมเจริญสติบ้างไม่ถึงกับเมินหนีหรือปิดหูปิดตาไม่รับรู้ใดๆบวกสาสำหรับการเป็นผู้เห็นโทษของเกมกรรมและเริ่มศึกษาวิธีหยุดเล่นเกมอย่างจริงจังแต่ยังเจริญสติรู้เข้ามาในขอบเขตกายใจไม่สม่าเสมอสลับกันระหว่างท้อถอยกับขึกเหิม ไม่มีผลที่น่าพอใจนักบวกสี่สำหรับการเป็นผู้เห็นโทษของเกมกรรมศึกษาวิธีหยุดเล่นเกมและเริ่มลงมือปฏิบัติตนเจริญสติและระ ง, งับกามได้ผลเป็นความแหน่หน่ายคลายความยินดีในเกมกรรมบ้างลิมรสปีติสุขและโสมนัสอันเกิดจากการปล่อยวางกิเลสห ย, ยาบๆได้บ้างแล้วแต่จิตยังไม่ตั้งมั่น ยังไม่รู้สึกว่ากายใจเป็นของเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอยังรู้สึกว่ากายใจเป็นตัวฉันแน่ๆบวก6สสำหรับการเป็นผู้เห็นโทษของเกมกรรมจเจริญสติและระงับกามได้ผลบ้างแล้วมีจิตตั้งมั่นเห็นกายใจโดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงไม่น่ายึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนบ้างแล้วแต่ยังไม่มีความเด็ดขาดแบบโสดาบันบุคคล บวสิบำหรับการเป็นผู้บรรลุมรรคผลหรืออีกในหนึ่งเป็นโสดาบันบุคคลผู้เห็นความจริงอันสูงสุดเหนือเกมกรรมคือเห็นนิพพานแล้วไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าและวิธีใช้ชีวิตเพื่อเข้าถึงมรรคผลนิพพานแล้วนับเป็นผู้ปิดทางไปสู่ทุกขติได้เด็ดขาดแล้วสำหรับคะแนนพิเศษเกินกว่า1ิอันเหมือนโบนัสใหญ่ข้อนี้ได้มาเพราะโสดาบันบุคคลมีแต่ขึ้นกับขึ้น ความเป็นโสดาบาันประการว่าชีวิตที่เหลือจะไม่ดูดายในการทำบุญแล้วก็ไม่มีทางหลงตกตำ่ำเพราะมีกำลังบุญอย่างใหญ่คอยหนุนช่วยให้สำนึกผิดได้เร็วพูดง่ายๆว่าความสุขที่เกินสิบเป็นภาพความสุขในระยะยาวไม่ใช่แค่ความรู้สึกเป็นสุขในช่วงสั้นๆไม่กี่วินาทีสำหรับผู้ที่มีทุนเก่าเป็นลบสิบ ถ้าคุณบรรลุมรคผลเป็นโสดาบันบุคคลซึ่งได้คะแนนเป็นบวกส1บเอ็ดชีวิตคุณจะเปลี่ยนจากทุกเป็นสุขคือใจเป็นสุขแม้ยังต้องเสวยทุกทางกายอยู่และมีแนวโน้มจะสุขยิ่งยิ่งขึ้นทั้งกายทั้งใจด้วยอำนาจแห่งพระโสดาปฏิผลแม้ตายเดี๋ยวนี้ก็เที่ยงที่จะมีความสุขสว่างรออยู่เบื้องหน้ากับทั้งเที่ยงที่จะได้บรรลุอรหัตผลในการต่อไป ภายในไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างช้าสำหรับผู้ที่มีทุนเก่าเป็นศูนถ้าคุณเพิ่มคะแนนจากการตัดสินใจยุยติกเกมได้เป็นบวกสองหรือบวกสก็น่าจะอิ่มเอิบขึ้นเล็กน้อยแต่หากได้ซักบวกสี่จะพบว่าชีวิตเป็นสุขขึ้นอย่างชัดเจนมากสำหรับผู้ที่มีทุนเก่าเป็นบวกสิบแม้จะได้คะแนนมากถึงบวกสี่ ความสุขก็ยังไม่อาจเพิ่มชัดแต่ใจจะเริ่มเป็นอิสระและหยุดอะไรเกมกรรมหากคะแนนดีดขึ้นไปได้ถึงบวกหกและแน่นอนคุณจะรู้สึกเป็นสุขเกินพรนรนาหากได้บรรลุมรรคผลเป็นโสดาบันบุคคลเนื่องจากสุขทางกายยังไม่หายไปไหนสุขทางใจอันพ้นคำบรรยายก็สมทบเพิ่มเข้ามาอีก คุณจะเป็นผู้สามารถยืนยันกับชาวโลกได้น่าเชื่อถือกว่าใครว่ารถอันเหนือรถทั้งปวงคือ น, นิพพานไม่มีรถอื่นใดหวานชื่นและแสนมหัศจรรย์เกินไปกว่านี้อีกแล้วสรุปคือเมื่อวัดคะแนนเป็นคุณจะเห็นขึ้นมาทันทีว่าเกมกรรมเป็นเรื่องจริงสามารถพิสูจน์ได้โดยไม่ต้องตายเสียก่อน จบบทที่ส0บรูปประกอบทิ้งท้ายรูปคนร้องไห้บ่นว่ากว่าจะรู้ตัวว่าอยู่ในเกมจริงก็หมดเวลาสะสมแต้มแล้วเกมน่าจะโกยให้เยอะเะเลยก็มีอีกรูปตอบกลับมาว่าอวดดีมาตลอดเกมเพิ่งมาคิดได้ก่อนหมดลมก่อนหมดเวลาเดียวเดียวเที่ยวหน้าก็ติดนิสัยอวดดีอีกเสียงตอบกลับมาว่าไม่มีน้ำใจไมตรีผ่อนผันให้ผู้ที่รู้ความจริงทั้งหมด เมื่อสายเกินไปบ้างหรอกแล้วก็ตอบว่าเราไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใจดีแต่เราคือกฎกติกาที่เป็นธรรม